รทรงอนุญาตผ้าพันเท้าเตียงและตังสมัยนั้นเท้าเตียงและตังครูดพื้นที่ทำบริกรรมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ผ้าพันสมัยนั้นภิกษุพิงฝาที่ทำบริกรรมความงดงามเสียไป